อย่างที่พูดไว้เมื่อเช้านะว่าวันวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญของชาวพุทธนะแล้วก็มีความหมายที่เราควรจะใคร้ครวนพิจารณาเพราะมันมีความสำคัญกับชีวิตของเรามากทีเดียวมากอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงหรือว่าไม่ได้คาดคิดมาก่อน พวกเราก็รู้กันนะว่าพิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันที่เราลึกถึงการประสูติตัศรุและปรินิพานของพระพุทธองค์ที่เราเลิกถึงพร้อมๆกันทั้งสมเหตุการณ์ก็เพราะว่าทั้งสามเหตุการณ์นี้เนี่ยอุบัติขึ้นในวันเดียวกันคือวันเพ็ญเดือนหกแต่ว่าคนละปีนะคนละปี การตัดสู่ของพระองค์เกิดขึ้นหลังจากการประสูตินี่สามสิบปีและการประนิพนธ์นของพระองค์ก็เกิดขึ้นหลังการตัดสูุ45าปีคำ ว, ว่าประสูติตัดสปปู่ปรินิพนธ์เ น, นี่ยนะลองคร่คุณดีๆนะมันมีความหมาย สองด้านในด้านหนึ่งก็ที่เห็นถึงสัจธรรมของทุกชีวิตก็คือเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายพระพุทธองค์แมทรงเป็นมหาบุรุษนะและเราชาวพุทธก็เชื่อว่าทรงมีพระคุณสมบัติมากมายอย่างที่เราได้สาวทยาเนี่ยพุทธคุณ ร้อยประการที่จริงเนี่ยทรงมีมากกว่านั้นนะอิทธิปฏิหารนะหรือว่าความสามารถพิเศษทางจิตของพระองค์เนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งของพุทธคุณนะซึ่งเรายังไม่ได้สาธยายเท่าไหร่แต่แม้กระนั้นเนี่ย พระองค์ก็ต้องก็ต้องอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะก็ย่อมมีความแก่ความชาราอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงก็คือมีความเปลี่ยนแปลงทุกขังก็คือความเสื่อมแล้วก็ดับทั้งนี้เพราะว่ามันไม่มีตัวตนของมันเอง ไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรที่จะคงอยู่ชั่วนินรันดร์อันนี้แปลว่าคือความหมายหนึ่งของไม่มีตัวตนหรืออนัตตาเราทุกคนก็ตกอยู่ภายใต้สัจธรรมความจริงข้อนี้ไม่ว่าอายุเท่าไหร่บางคนก็อายุ10บขวบบางคนก็12บงางคนก็15บางคนก็ส0สบ หลายคนมีกำลังวังชาดีไม่รู้จักคำว่าแก่แต่ในที่สุดก็ต้องแก่และระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะตายก็ต้องเจอความพัดพราดสูญเสียน ะ, ะที่เรายังไม่ตายสิ่งอื่นที่เราเกี่ยวข้องมันเสื่อมมันตายก่อนเราถ้าเป็นเข้าของก็คือว่ามันเสียหายมันใช้การไม่ได้ จะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าโทรศัพท์ของเล่นคอมพิวเตอร์นะรถยนต์พวกนีนะ้ที่มันเสื่อมมันดับไปในอดีตที่ผ่านมาของเรานี่ก็เยอะแยะและไม่ใช่แค่สิ่งของแต่รวมถึงคนที่เรารักด้วยอาจจะเริ่มต้นจากปู่ย่าตายายเสร็จแล้วก็พ่อแม่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 น, นี่เป็นข่าวดีนะข่าวดีว่าแม้ชีวิตคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยต้องเจอกับความพัดผ่าสูญเสือเจอความเจอความป่วยและสุดท้าก็เจอความตายแต่ว่าเราสามารถพ้นทุกได้นะการตัดสโล ข, ของพระองคนะ์เป็นเครื่องหมายว่าการพ้นทุกเนี่ยมันทําได้จริงมันเป็นไปได้แล้วก็คุณจะเป็นด้วย นะถ้าเราเราลึกเช่นนี้เนี่ยนะก็ควรจะเอาการตัดสุนพระองค์เนี่ยมาเป็นแบบอย่างหรือจุดหมายในการดำเนินชีวิตของเรานะจะเรียเป็นอุดมคติของชีวิตก็ไดนะ้แล้วเราก็พยายามเดินไปทางนั้นโดยอาศัยคำสอนของพระองค์นะซึ่งวางไว้เป็นระบบ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 ก็หมายถึงว่าธรรมะนะที่เรามาใช้ในการดาเนินชีวิตจริยธรรมเนี่ยจะแปลว่าความดีก็ได้แต่จริงๆแล้วความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมันหมายถึงว่าการดมเนินชีวิตอันประเสริฐนะซึ่งความหมายหนึ่งที่เราคุ้นเคยคือพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์หรือจ ร, ริยธรรมเนี่ยนะก็คือ ความหมายอันเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในด้านหนึ่งของวิสัยขบูชานะก็เชื่อเห็นถึง เ, เส้นทางชีวิตนะที่พึงปรารถนาซึ่งจะช่วยทำให้เราพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยประสูตรตัสุรุปรณิพานเนี่ยนะจึงเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงธรรมะสองประเภทหรือธรรมะสองชนิดชนิดแรกคือสัจธรรม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 เราก็จะร้องไห้คร่ำครวญอะไรอววรจะทำเป็นความจริงที่เราต้องเห็นต้องตระหนักและขณะเดียวกันจริยธรรมก็คือสิ่งที่เราต้องบำเพ็ญเอามาบาเพ็ญเอามาปฏิบัตนะิซึ่งจะนำพาให้เราถึงความพ้นทุกข์ซึ่งท่าย่าพูดไปแล้วก็คือหนทางที่จะพาเรา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 ไม่มีเพศสัมพันธ์อันนั้นเป็นความหมายที่แคบความหมายจริงๆก็คือชีวิตอันประเสริฐพรมนี่แปลว่าประเสริฐจันเนี่ยกักบควาว่าจริยะนะอันนี้ความหมายเดียวกันมันหมายถึงการปฏิบัติหรือเส้นทางวันทสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่เรานะนะควรจะน้อมระลึกนะนะถึงการตรัสรู้ของพระองค์ และบอกกับเราเองว่านะการพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และุนทานการพ้นทุกข์นั้นเนี่ยนะก็คือการนะฝึกฝนตนฝึกฝนตนนะเริ่มต้นด้วยกายวาจาแล้วก็นำไปสู่การฝึกฝนจิตใจนะนะบันไดสามขั้นนี้ก็ เราเรียกว่าไตรสิกขานะไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาศีลนี่ก็คือการประพฤติการฝึกตนทางกายวาจานะส่วนสมาธิก็คือการฝึกใจเพื่อ น, น้อมไปให้เกิดการพัฒนาด้านปัญญาปัญญาคืออะไรก็คือการเห็นแจ้งในสัจธรรมนะเห็นแจ้งจนรู้ว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรนะ อย่างที่ผู้เจ้าเนี่ยได้ตรัสกับคนคนนึงนะชื่ออุปกะหลังจากที่ผู้เจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะพระองค์ก็หลังจากที่บำเพ็ญวิมุติสุขนะอยู่เจอาทิตย์พระองค์ก็เริ่ที่จะบำเพ็ญประโยชน์ท่านละก็คือออกเดินทางนะเพื่อที่จะนําธรรมะของพระองค์เนี่ย มาเผยแผ่ให้ผู้คนได้เห็นทางออกจากทุกขนะ์เป็นจริยาที่เกิดจากพระกรุณาคุณอันไม่มีประมาณก็ไปเจอคนคนหนึ่งนะชื่ออุปกะระหว่างทางนะก่อนที่จะเจอปัญจวัคคีย์ก่อนที่จะเจอชดินสามคนเนี่ยจะเจออุปกะก่อนอาชีวก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 ทั้งอยากได้แล้วก็อยากผลักไสนะเราอยากได้ของนะอยากได้เงินอยากกินอาหารอร่อยนี่ก็เรียกว่าตัณหาเจอความร้อนนะเจอยุ่งนะเจอความลําบากเราก็อยากผลักไสออกไปเจอเสียงดังก็อยากผลักออกไปอ น, นี้เรียกว่าเป็นการอยากเป็นการอยากชนิดหนึ่งนะอยากผลักไสตัณหาคือความทยันอยากความดิ้นรนนะอุปทาคือ นะความยึดมั่นนะยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานะผูะพุทธเจ้าตรัดต่อไปว่าเนี่ยนะสิ่งที่ก่อเกี่ยวยึดเหนียวว่าเป็นตนเป็นของตนนะไม่เคยทำให้ใครมีความสุขได้เลยนะมันมีแต่ทำให้เกิดทุกข์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 อย่างคนมีเงินเนี่ยแต่อยากได้ iPhone 7 S iPhone 7 Plus เนี่ยก่อนใครเนี่ยมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะต้องไปนั่งรอต้องไปยืนรอนะเขาเริ่มเปิดขายวันแรกเนี่ย9ก้าโมงเช้านี่หลายคนก็ไปเฝ้ารอนะตั้งแต่ตี3ตี4นะแล้วพอห้างเปิดนะ มีเงินแต่ซื้อไม่ได้ก็ก็มีเยอะนะอันนี้เราทุกข์นะทุกข์เนี่ยตั้งแต่มันต้องเฝ้ารอแล้วเฝ้ารอซื้อนะหลายคนเนี่ยไปปารีสเนี่ยนะก็จะไปซื้อนะตั้งใจว่าจะไปซื้อกระเป๋าหรือผลิตภัณฑ์ของหลุยส์วิตตองนะมีเงินก็ไม่ใช่ไปซื้อได้นะ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 ถ้าไม่ได้เนี่ยของหมดนะก็ยิ่งเสียใจแต่ถึงได้มาก็ไม่ใช่จะมีความสุขไปยาวนานนะมันก็มีความสุขชั่วคราวนะพอมันมีรุ่นใหม่ออกมา iPhone นะรุ่นใหม่ออกมานะกระเป๋ารุ่นใหม่ออกมาไอของเดิมที่เรามีเราก็รู้สึกเบื่อมันซะลนะ คนที่ใช้ i iPhone 4ตอนนี้เนี่ยนะก็ใช้แบบกรมิกรเมียนนะไม่อยากจะบอกใครไม่อยากจะโชว์ใครทั้งทที่ตอนที่ซื้อมาเมื่อมันเพิ่งออกมาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกดีใจภูมิใจโอ้ยเรามีของดีแต่ตอนนี้ไม่อยากจะโชว์ใครแลวไม่อยากจะบอกว่าเราใช้ i iPhone 4อายนะเพราะมันตกรุ่นไปนานแล้วอันนี้ก็ทุกนะเป็นความทุกข์ดีใจชั่วแค่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 มันไม่ใช่เฉพาะทองทั้หวดกุ้งแล้วนะอย่างอื่นด้วยจะรถราคาแพงเบนสะ์รนะัมโบกินมีซื้อได้แล้วก็ไม่พอนะก็ต้องหาต้องหาหาอู่จอดรถหาโรงจอดรถให้กับให้กับรถต้องเปิดแอร์ที่นะนะเคยไปร้านเคยไปบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งนะมีรัมโบกินนี่ล้านจอดอยู่ใน อ, อูซึ่งติดแอร์มีกระจกสามสี่ด้านร้อมเลยทำไมต้องใช้กระจกเพราะว่าจะได้อ่าดูว่ามันมีหนูเข้าไปไหมนหนูถ้าหนูเข้าไปมันก็ไปกัดกินสายไฟเนี่ยเสียหายอีกนะต้องคอยเฝ้าค อ, คอยคอยระวังถามว่ามีความสุขไหม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 สัญญาต่างๆก็ถอนตัวหมดนะเลิกสัญญากลายเป็นว่าการงานนี่ที่เคยมีมั่นคงแน่นหนานี่หายวับไปเลยอันนี้ก็สอดคล้องที่พระเจ้าตรัสกับอุปะกานะว่าสิ่งใดก็ตามนะที่เกี่ยวพันยึดมั่นนะว่าเป็นตนของตนหรือว่าว่าเป็นเราของเราเนี่ยที่จะไม่ทำให้เป็นทุกเนี่ยไม่มี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 มันสุกเร็วแต่มันก็หายไวยมันก็เบื่อเร็วนะมันหายไวยแล้วก็เบื่อเร็วนะจะสุกเท่าเดิมนี่ก็ต้องหาใหม่ที่มากกว่าเดิมที่แปลกกว่าเดิมเนะช่นอาหารที่อร่อยถ้าเรากินเนี่ยนะมือแรกก็อร่อยนะแต่ถ้ากินทุกมือทุกมือนะไปสักอาทิตย์นึ่งเนี่ยที่อร่อยมันก็เลยเริ่มรู้สึกเฉยๆยแล้ว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 นะยี่ห้อดังดีใจแต่พอใช้ไปสักสองสามเดือนหรือบางทีไม่ได้ใช้เลยเพราะมันมีเยอะมากจนไม่ทันใช้เนะช่นรองเท้าร้อยคูนะ่เสื้อ200ตัวเนี่ยไม่ทันได้ใช้แค่แขวนเอาไว้เห็นไปนานๆก็เบื่อแล้วนะเห็นไปนานๆก็เบื่อแล้วอยากได้ตัวใหมนะ่อันนี้มันไม่ใช่วิเทียงความสุขนะมันไม่ใช่วิเทียงความสุขเลย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 ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องไปหาเลยนะมีแต่คนเอามาปนเปรนนะพระราชบิดาเจ้ชเาชายอ่พระพระเจ้าสุดโทธนานี่เอามาปนเปรนเลยนะทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสขนาดไม่ต้องออกไปหาไม่ต้องดิ้นรนนะพระองค์ยังเบื่อเลยนะไม่งั้นไม่ออกไม่หนีออกจากอา่าปร า, า, นะาสาทมาแสงหาทางดับทุกข์แล้วก็ เห็นความสำคัญการดับทุกข์มากเคยเชื่อว่าการบำเพ็ญทรมานตนหรือทุกขกรริยานี่จะช่วยทำให้ดับทุกข์ได้ทรมานตนอย่างไรก็ยอมเจ็บยอมปวดนะนอนบนตะปูหรือว่ายืนขาข้างเดียวนะเป็นเดือนเดือนนะหรือว่ายืนสองขาแต่ว่ายืนเป็นปีไม่ยอมนั่ง ทุกวันนี้ก็มียังมีอยู่เลยนะมีฤาษีนะมีพวกโยคีเนี่ยบางคนเนี่ยในช่วงสมัยพุทธกาลเนี่ยมีบางคนเนี่ยยืนยืนอย่างเดียวเลยนะไม่ไปไหนไม่ขยับขยื่นเลยตนต้นไม้นี่มันมันออกมาพันล่างเลยนะออกมาพันล่างเลยพวกเครือไม้เนี่ยมั น, ม, นมันงอกออกมาพันร่าง เพราะว่ายือนอยู่งั้นเนี่ยเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีนะพระองค์ก็ทำนะแต่สุดท้ายก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางดับทุกข์และสุดท้ายพระองค์ก็พบว่าเนี่ยวิธีที่ที่ประเสริฐที่ดีกว่าหรือที่จะเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงก็คือการบาเพ็ญทางสายกลาง ทางสายกลางนี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่นะการฝึกกายวาจาให้หมีศีลและฝึกจิตด้วยสมาธิจนเกิดปัญญาและพรงก็นะได้บาเพ็ญนะการเจริญสมาธิและปัญญานะจากการที่นั่งบาเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นโพแล้วก็มองนะมาดูจิตดูใจ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 ใจที่ยังมีความหลงนะเพราะหลงนั่นแหละหรือเพราะมีวิชานั่นแหละนะก็จึงทำให้ตัณหาอุปาทานนะมันครอบงำจิตใจและพอเห็นนะเห็นความจริงว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันไ ม, ม่มีอะไรที่จะยึดมั่นเป็นเราเป็นของเราได้เลยนะปัญญาก็เกิดจิตก็หลุดพ้นนะอันนี้พูดย่อๆนะ พวกเราเนี่ยนะอาจจะไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้เนี่ยจะตัดสร้ปเหมือนพระเจ้านะแต่ก็เชื่อวพวกเราเนี่ยทุกคนรู้ดีว่าความทุกข์เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเจ็บแสบแค่ไหนมันบีบคั้นจิตใจให้กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือทำให้ร้อนลวนกระเวงกระวายเพียงใดเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเนี่ยนะเราทุกคนก็อยากจะออกจากทุกข์ทั้งนั้นแหละ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 อ, อารมณ์ตาวนี้เนี่ยนะที่มันเคยทําเรากินไม่ได้นอนไม่หลับจนบางทีใหญ่ให้เราทําให้เราน้อยทําให้เราเกิดความน้อยเนือน้อต่าใจจนอยากจะฆ่าตัวตายจริงๆเนี่ยมันแก้ได้ที่ใจของเรามันแก้ได้ที่ใจของเราเบื่อแล้วนี่ไม่ต้องอแก้โดยการไปหาแฟนมันจะได้หายเบือ่อพอเบื่อแล้วนี่ไม่ไปต้องไปแก้ด้วยการออกไปเที่ยวห้างจะได้หายเบือ่อหรือว่าไปาไป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 มันมีความสงบมีความเย็นเข้ามาแทนที่รักษาใจของเราให้ดีนะคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ทุกเพราะอะไรไม่ใช่ทุกเพราะสิ่งนอกตัวแต่ทุกนะเพราะความหลงนะเราหลงเราลืมตัวเราก็เลยคิดฟุ้งปรุงแต่งคิดถึงไปถึงอดีตที่เจ็บปวดคิดไปถึงอนาคตที่ยังไม่เกิด แต่สร้างภาพให้มันเร็วร้ายจนกระทั่งเกิดความวิตกกังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเวลามีความโกรธเกิดขึ้นแทนที่จะหาทางสลัดความโกรธให้ออกไปจากใจก็กลับคิดวนเวียนอยู่กับคนหรือการกระทาของคนบางคนที่ทำให้เราโกรธและเกิดความเครียดแค้นเราคิดจมอยู่องั้นแหละ ไม่คิดถึงว่าเออจะใา่ความโกรธได้อย่างไรนะจะให้อภัยเขาดีไหมหรือจะแผลแม่ตายเขาก็ยังก็กลับยึดความโกรธนั้นเอาไว้ความโกรธมันดีไหมมันเผาลงนจิตใจแล้วทำไมหวงแหนมันเอาไว้นี่เพราะความหลงนะเวลาเศร้าเนี่ยเราก็เวลาเศร้าพออกหักก็ดีพอเสียของก็ดี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 ก็คือไม่ให้มีความหลงประเภทแรกมาคลองใจนะเมื่อความหลงประเภทแรกเนี่ยคือความไม่รู้ตัวเนี่ยมันมายึดคลองจิตใจเราน้อยลงน้อยลงนะต่อไปเราก็จะเห็นความจริงนะไม่ได้เห็นความจริงจากไหนะเห็นความจริงจากกายและและใจนี่แหละเห็นความจริงจากอารมณ์ต่างๆที่ผุดโพร่งขึ้นมาเห็นว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะมันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้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 ชเช่นมีพัดลมพัดนะอยู่ในห้องแอร์นั่งในเบาะนั่งบนเบาะที่สบายมีคนมาลูบไล้หรือว่ากินอาหารที่อร่อยนะฟังเพลงเพราะนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกรถยนต์ไม่ต้องเดินไอ้นั่นมาสุกกายแต่ไม่ได้ทำให้เราสุขใจได้อย่างแท้จริงนะตตดใดที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นนะแต่ไม่ได้กระามที่เรานะรู้ว่า สิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้แล้วเราก็มีสติความรู้ตัวที่รวดเร็วไวพอที่จะทำให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่สามารถจะครองงบงำจิตใจได้แม้จะยังไม่เห็นความจริงไม่เห็นสัจธรรมไอความหลงชนิดที่สองยังคงอยู่นะยืนพื้นแต่ถ้าความหลงชนิดแรกคือความไม่รู้ตัวเนี่ยมันมันมาน้อยลงนะเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อม บ่อยขึ้นทีขึ้นนะเราก็จะพบความสงบนะในจิตใจอารมณ์ก็มารบกวนน้อยลงมีอะไรมากระทบนะมีอะไรมากระทบกายก็ไม่กระเทือนใจนะแดดร้อนมากระทบกายแต่ใจก็สงบนะความเย็นมากระทบกายแต่ใจก็ยังอบอุ่นนะมีใครพูดต่อว่าด่าทอนะแต่ว่าใจก็สงบได้เรียกว่า โลกธรรม8นะคือโลกธรรมไฟบวกและไฟลบนะมากระทบยังไงก็จิตใจก็ไม่หวั่นไหวภาวะเช่นนี้เนี่ยนะเปลี่ยบเหมือนกับอะไรนะเปลี่ยนมันก็ดอกบัวเปลี่ยนมันก็ใบบัวสินะ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่หัวไม่ใช่กวางนะไม่ใช่ธรรมจักรนะ สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้เจ้าที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะธรรมของผู้เจ้านะก็คือดอกบัวดอกบัวกับผู้เจ้าเนี่ยคือเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนของดอกบัวเป็นตัวแทนผู้เจ้าทํำไมดอกบัวจึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้เจ้าเพราะว่าดอกบัวนะ น, น้ํามาหยดมาหยาดเนี่นะก็ไม่ซึมไม่ติดนะใบบัวก็เช่นเดียวกันนะใบบัวเนี่ยนะเวลาเราเอา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 ช่ำชื่นเบิกบานไม่มีความโศกไม่มีความเศร้าไม่มีความโกรธพวกเราเนี่ยนะก็ขอยตั้งจิตนะว่านะการใช้ชีวิต ข, ของเราเนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อทำให้สภาวะเช่นนี้เกิด ข, ขึ้นกับเราทำให้จิตของเราผ่องแผ้วแม้ว่าจะอยู่ในท่ามกลางโลกที่มันเต็มไปด้วยความพันพวนแปร ป, ปรวน โลกที่เต็มไปด้วยของความเสื่อมความความดับนะของสิ่งต่างๆแม้กระทั่งร่างกายของเรานะก็ต้องแก่ต้องชราต้องเจ็บนะสุดท้ายก็ต้องตายแต่ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะกับชีวิตนะกับสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเราแต่ใจก็ยังสงบได้นะขอ้รู้จักนะคอยได้สัมผัสกับความสงบในจิตใจนะ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 สงบที่ว่าไม่ได้หมายมาถึงความสงบภายนอกนะสำคัญกันนันคือความสงบภายในะคือความสงบใจและความสงบใจนี่แหละคือสุขที่แท้นะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงเป็นแบบอย่างว่านะสงบได้เพราะว่าใจนิรกายกิเลสเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปถึงแม้ว่าเราจะไปไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะแต่หากว่าเราได้ตระหนักสักหน่อยว่านี่สุขใดก็ตามนะ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 เข้าถึงความสงบสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเถินอรภพพร้อมกันแเปล่าหรื อ, ร อ, อยังไงนี่เหมือนพระสงค์ลงไปข้างล่างไปเดี๋ยวเราจะทำวัดอาจารย์ไพรสานวิสาโล ่เหลาตรงนี้ก็ได้มั้งมันจะกระเถิบไปว่ะอ่าอ้างบนได้ไาาอาจารย์ไพศาลบอกอ้างบนก็ได้ไ <c oughs> ม่งั<อ>้นจะต้องกระถเถิบกัน